คนเราส่วนใหญ่นะปรารถนาโชคลาภนะเพราะเชื่อว่าโชคเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความสุขแต่บ่อยครั้งเนี่ยโชคกับเคราะห์นี่มันก็มาด้วยกันนะมีโชคได้ไปเดียวเดียวก็เจอเคราะห์ละแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยบางครั้งก็เกี่ยวเนื่องกับโชคอย่างเช่นคนที่ถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่1เนี่ยนะได้เงินหลายล้านเลยก็ถือว่ามีโชคนะแต่พอรู้ว่าถูกรางวัลแล้วก็ มีการเฉลิมฉลองกันกินเหล้าเมาสุราถึงเวลาขับรถกลับบ้านด้วยขวาเมาไมา้ก็เกิดอุบัติเหตุพิการก็มีเสียชีวิตก็มากอันนี้เรียกว่าโชคกับเคราะห์นี่มันมาด้วยกันและที่เคราะห์เกิดขึ้นนะั่นเพราะโชคนะหรือเกี่ยวน้องกับโชคนะ คือถ้าไม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็คงไม่มีการเลี้ยงฉลองจนเมาไม้แล้วพอเมาไม้แล้วนี่ก็เกิดอุบัติเหตุตามมานั้นจะเรียกว่าสุขกับทุกข์นี่มันมาด้วยกันหรือว่าอยู่ใกล้กันก็ได้เวลาได้โชคเวลาเจอสุขโดยเพราะสุขแบบ รวดเร็ ว, วกะทันทันนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะเจอเคราะห์หรือเจอทุกข์ตามมาแบบกระชั้นชิดก็ได้ในสาย ว, วิารณ์นะมีอมตคนหนึ่งนะของพระเจ้าเปเรตที่กสนเป็นคนที่ทำความดีความชอบไว้เยอะมีความหนึ่งมีคราวหนึ่งก็ไป ปราบศึกสงครามที่ชายแดนได้ชัยชนะพระเจ้าปเสนท่โกศลก็ดีใจแล้วก็มอบรางวัลให้รางวัล น, นั้นคืออะไรนะให้คลองร้สมบัติ7วันในสมัยนั้นก็มีธรรมเนียมนี้นะให้เป็นกษัตริย์7วันนะแล้วก็มอบหญิงคนหนึ่งนะ ซึ่งเป็นนางรำแล้วก็มีความสามารถในการขับฟ้อนอเป็นอันดับหนึ่งนะของอราชธานีอัมมาคนนี้คือสันตติอัมมาดพอได้ของาชสมบัตรนี้ก็ถือเป็นโอกาสนะั้นที่จะได้เฉลิมฉลองแล้วก็สำเริงสำราญแถนที่จะใช้โอกาสนั้นในการปกครอง ทำความสุขความสงบให้กับประชาชนก็ใช้การนี่แหละนะแสวงหาความสุขให้กับตนเองนะมีการเรี่ยงฉลองเสพสุราทั้งวันเลยแล้วเขาคงทั้งคืนด้วยถ้าไม่พอเราก็ให้นางรำาพเนียฟ้อนรำนะแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของสันสติอํามาดมาก นางคนนี้ก็ฟ้อนรำเนี่ยให้ความสำราญเนี่ยกับสันเตีย ม, มานีตลอดเจ็ดวันเลยนะไม่มีวันหยุดเลยเพราะว่าพอถึงมาสุดท้ายเนี่ยนางก็เกิดเหนื่อยล้ามากยังไม่ทันตกเย็นเลยนะของมาสุดท้ายนี่ก็ หมดเลือหมดแรงตาเหลือกเลยนะอาปากค้างแล้วก็สิ้นลมก็คงจะหัวใจวายตายเพราะว่าเหนื่อยล้ามากจากการฟ้อนรำตลอดเจ็ดวันตายขาที่เลยสันเต็มมาเนี่ยเจอเหตุการณ์นี้ทันทีที่รู้ว่า หญิงฟอรรำคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นที่ปวดปลายของอํมมาศมากเนี่ยขาดใจตายเนี่ยให้สั่งเมาเลยนะที่เมาเนี่ยนะมาตลอดเนี่ยหายเมาเลยเพราะาเกิดความโศกเศร้ามาแทนที่โศกเศร้ามากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรัรบความเศร้าโศกได้อย่างไร ที่จินก็เป็นคนที่เจอความตายของผู้คนมาเยอะนะเพราะเป็นทหารเป็นอัมมาแต่ว่าพอญิงคนี่ตายนี่สันตเย ม, มานี่ทําใจไม่ได้ท่วมต้นด้วยความโศกเศร้าเสียใจแล้วก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าที่เชตวัน ในเย็นวันนั้นเลยรอยวันพันปีนี่ไม่เคยนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าอยูด่ดีมีสุขนะแล้วก็พรั่งพร้อมด้วยวัตถุพรั่งพร้อมด้วยอำนาจแต่พอเจอความสูญเสียอย่างนี้เนี่ยก็รู้เลยนะว่าอำนาจ เงินทองหรือแม้แต่บัลลังก์เนี่ยไม่สามารถที่จะเยียวยาความเศร้าโศกได้มันช่วยไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนะก็เลยนึกถึงพระเจ้าขึ้นมาจริงก็มีเหตุนะที่ทำให้นึกถึงพระเจ้าเพราะว่าเช้าวันที่เจ็ดเนี่ยเช้า ว, วันนั้นเนี่ยสันติยมานเนี่ยขี่ช้างไปที่ท่าน้ำนะํำเพื่อไปอาบน้ํานะ ก็ไปบังเอิญผ่านพบพระพุทธเจ้าพอดีกับพระอานนท์นะพระง ก, กลังเสด็จบินถบาบก็คงประทับใจนในความสงบสํารวมของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นตอนที่เกิดความทุกข์เกิดความเศ ร, าสสร้าโศกเสียใจมากเนี่ยก็เลยนึกถึงพระองค์ขึ้นมาด้วยความหวังว่าจะช่วยบรรเทาความโศกเศร้าได้ ไปถึงนักผู้เจ้านี้ก็ตัดเตือนสติเลยนะว่าเนี่ยน้ำตาของคนเราที่เกิดจากความสูญเสียคนรักเนี่ยมันมากมายท่วมท้นยิ่งกว่ามาหาสมุทรทั้งสี่สิบอันนี้ก็เป็นการเตือนสกิดใจนะให้ตระหนักว่าเนี่ยชวินคนเรานี่นมันต้องลวนแต่ผ่านความโศกเศร้า เพราะสูญเสียคนรักมานับไม่ถ้วนนะเสร็จแล้วก็ตัดต่อไปเองนะตัดว่าเนี่ยกิเลสเครื่องกังวลที่เธอมีในการก่อนขอให้ทำกิเลสเครื่องกังวลนั้นให้เหือดแห้งหายไป และกิเลสเครื่องกังวลใดๆอย่าได้มีแก่เธอเลยในภายหลังถ้าเธอไม่ยึดติดถือมั่นในขันหานี้เธอก็จะเป็นผู้สงบระงับเป็นไปได้อย่างปกติพรงตัดสั้นๆเท่านี้นะสัตยธรรมานี่ก็เกิดปัญญาตาสว่างเลย พระอุจรเนี่ยสอนให้รู้จักปล่อยวางและสันเตีย ม, มาเนี่ยฉลาด น, นะรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ปล่อยวางนางฟ้อนรำคนนั้นเท่านั้นนะจะให้ปล่อยวางนะขันห้านะที่เคยยึดเป็นตัวเป็นตนด้วยบอกว่าสันเตียมาเนี่ยได้บรรลุอรหัตผลเลยนะเป็นพระอรหันต์ทันทีเลย นับเป็นค า, ารวะคนหนึ่งนะซึ่งมีอยู่จานวนน้อยนะที่ได้เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นี้ไม่ได้จํากัดเฉพา ะ, ะพระสงฆ์สาวกพิสูจนพิสษุนนี้เท่านั้นนะคารวะเนี่ยก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้เพราะมีหลายท่านเลยและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือสันติอัมมาซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่า ก่อนหน้านี้นี่ยังเสพสุราแล้วก็มึนเมาอยู่เลยแต่ว่าเป็นเพราะความสูญเสียคนรักเนี่ยทำให้หายมื่นหายเมาและพอหายม่นหายเมาเนี่ยแม้จะมีความโศกเศร้าอยู่แต่พอได้ฟังธรรมเนี่ยพิจารณาใครควรก็เกิดปัญญาได้บรรลุอรหัตผลเลย นี่มอในแง่หนึ่งนะถ้าหากสารเตียมหมาเนี่ยไม่ได้โชคนะคือได้ของราชสมบัติเจวันเนี่ยก็คงไม่เจอเคราะห์คือการสูญเสียนางผู้เป็นที่รักนะเพราะคงจะไม่มีการเฉลิมฉลองกันแบบเจ็ดวันเจ็คืนอย่างนั้นนะถ้าไม่ได้ราชสมบัติเจวันเนี่ยก็คงไม่เจอความ สูญเสียจนกระทั่งเศร้าโศกนะอย่างที่ไม่เคยผสมมาก่อนแต่เพราะความสูญเสียนี่แหละนะก็ทำให้ได้มาพบธรรมะได้มาพบพระพุทธเจ้านะความโศกเศร้ามันผลักดันให้สันติธร ม, มานี่ไปหาพระพุทธเจ้าทั้งที่ไม่เคยสนใจมาก่อนเลยในยามสุขนี่ก็ไม่สนใจ ธรรมะไม่สนใจพุทธเจ้าแต่ในยามทุกในยามเจอครอนี้ทำให้นึกถึงพุทธเจ้าขึ้นมาและพอได้ไปกราบนะได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้านี้ก็ได้บรรลุอรหัตผลเลยเรียกว่าถ้าจะพูดแบบสาชบ้านคือเป็นเป็นโชคนะที่ยิ่งกว่าการได้คลองราชสมบัติ7วันเซกนะเพราะว่าทำให้ พ้นทุกอย่างสิ้นเชิงนี่มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคนเราถ้าไม่เจอทุกนะมันก็ยากที่จะมาพบธรรมะได้ทุกนี่มันก็สามารถผลักให้เราเข้าหาธรรมหรือไปพบธรรมได้แต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าสรับางคนเนี่ยทุกมันผลักพาไปหาความหลงหนักขึ้นนะเช่นพอเศร้าโศกเสียใจก็ไปหาเหล้าไปหายา เพื่อมาดับความเศร้าโศกหรือไปทําสิ่งที่เยือกเร็วล้ายกว่า น, นั้นเพราะหวังว่าจะไปกบเกลื่อนความทุกข์ได้นะมันก็ต้องอาศัยปัญญาระดับหนึ่งนะที่จะทําให้พอเจอทุกข์แล้วเนี่ยเข้าหาธรรมแล้วก็ทําให้เกิดปัญญานะจนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่เวลาเราเจอความทุกข์เนี่ยนะก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เร็วล้ายไปเสียหมดนะ อาจจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เราได้พบสิ่งประเสริฐในชีวิตก็ได้ไม่ว่าทุกนั่นจะเป็นความสูญเสียพลาดพลากจากคนรักหรือว่าความเจ็บความป่วยนะหรือว่าความล้มเหลวในเรื่องหน้าที่การงานความทุกเหล่านี้มันสามารถจะผลักให้เราเนี่ยเข้าหาธรรมได้พบธรรมและเกิดปัญญา จนสามารถพาจิตใจได้ออกจากความทุกข์ได้มันก็แปลงนะโชคกับเคราะเนี่ยโชคทําให้เกิดเคราะห์แต่คราะก็สามารถจะนำพายเกิดโชคอีกลักษณะหนึ่งก็ได้มันเป็นความไม่แน่นอนนะที่เราพึงตระหนักเอาไว้เวลามีโชคก็อย่าไปประมาทเพลิดเพลิน เ, เ, เพราะว่าจะมีเคราะห์ตามมาแต่เวลามีเคราะห์มีความทุกข์ก็อย่าไปถึงกับสิ้นหวังเพราะว่ามันสามารถจะเปิดโอกาส หรือผักดันให้เราได้เข้าเข้าถึงความสุขอันประเสริฐได้